แปลว่าที่พึ่งเนา ะ, ะแปลว่าอะไรอีกเนี่ยแปลว่าระลึกเลยเนะาะสารณะมาจากคําว่าสรารธาตุนะลงยุ ป, ปัจจัยนะอาเทศยุปเป็นอนะก็แปลงานาก็เป็นนาโนเนนหน้าโ น, นหนูเป็นหน้าโนเนนไปสําเร็จรูปเป็นสรารณะเนาะทีนี้คำภีอภิธานวนานานะ่ะท่านในความหมายสรารณะไว้สี่ในอภิธานนะสี่ความหมายคือว่าท่าแปลว่าการฆ่าโหดนะ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 เป็นสภาวะปรมัตถ์เป็นศาสนาเป็นที่พึ่งเป็นกำจัดภยัยให้กับขันของสัตว์ทั้งหลายนะนะเออพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นพุทธดำหลัดในคำพีธรรมบทบอกว่าตุมเหมหิก um an ิตจังอาตปังอักขาตารทดธาคตาตุมเหหิกิจจานังกิจจังอาตปังอัคขาตารทธาคาตา ปฏิปันนาปะโมคันตีชายิโนมารพันธนาบอกว่าเธอทั้งหลายพึงทางความเพียรเองเถิดการทําความเพียรในเธอทําเองคําว่าคําว่าเธอทั้งหลายจงทําความเพียรเองเถิดเนี่ยพระองค์ตรัสเอาสัมมาวายามาเป็นประธานแต่ไม่ให้ใช้ความเพียรตัวเดียว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 ทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจโอ้ยน่าชื่นชมน่ายินดีมากแต่ท่านต่ออีกประโยคนหนึ่งที่ทว่วที่พวกคนเขาหมกอยู่หมกมุ่นอยู่คนเขาเอ๊ะเขานี่คืออะไรอะคนโง่เนียนะคนโง่หมกมุ่นอยู่แต่บัณฑิตไม่ติดข้องอยู่แล้วแต่ท่านผู้รู้หาข้องอยู่มาเขาป ร, รินิพานหนีพวกเราหมดแล้ว <laughs> เขาป ร, รินิพานหนีหมดแล้วใช่ไหมผู้รู้ป ร, รินิพานหมดแล้ว พวกที่ไม่ปรินิพานคือพวกคนคนโง่เนี่ยตรงนี้ไปให้ใครฟังเดียวครับไปว่าเขาเสียเลยเนยใช่มเพราะจริงๆเป็นอย่างเงี้ยท่นมาเคยพูดตรงนี้มีโยมถามแล้วท่านโง่หรือเปล่าท่นมาแล้วไม่รู้จะพูดองรบอกเกเนี่ยกับพวกโง่จะมาเตือนกันอยู่เนี่ยใช่ไหม เ, ออเราออกไม่ได้หน้าทรมานยิ่งเนี่ยออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้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 สิ่งที่เราจะต้องนำไปด้วยคือกายกรรมวจีกรร ม, มโนโกรรมอยู่แล้วใช่ไหมกายวันรานาวจีวันนานามโนวันนานาคือการบูชาเนี่ยต้องชัดเราต้องแยกแยะ ก, การบูชาชัดนะถ้าเราบอกเอเราจะไปบูชาเนี่ยถามว่าเอาอะไรไปบูชาเอ า, เอาอะไรไปบูชาที่ปราลบเอาออมาวิจัยดอกไม้กันตั้งหน่อยใช่ไหมการเอ า, เอาดอกไม้ไปบูชาเนี่ยเราเอาอะไรไปบูชา เอาสีของดอกไม้หรือเอาเสียงหรือเอากลิ่นหรือเอารสหรือเอาสัมผัสเอาอะไรดีฮะเอาเพราะจริงๆถ้าหากว่าถ้าหากว่าในกรณีที่ท่านในพระสูรใช่ไหมที่บอกอันนังปานังครังวทางมาลายานังวิเลปานังขันโทสยาปฏิไปยังธานวัตถุสิยุงดซา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 เออเอาดอกไม้แต่จะให้เสียงเป็นทานยังไงฮะไม่ใช่บอกว่าจริงๆก็คือว่าการปารบเสียงเนี่ยเมื่อเราดอกไม้ไปแล้วเนี่ยคนเห็นว่างามเขาจะได้เปล่งเสียงนอบนอบ้นอมเพื่อเจ้าก็จะใช่ไหมเห็นไหมให้เสียงเป็นทานได้จริงจริ ง, รงด้วยกลิ่นไม่ต้องพูดถึงรสละ่ะเขาจะได้ฟังทำไมล่ะอัทธรสทำอัทธรสจะเกิดขึ้นกับเขาเนาะโพธิภพไ